เมื่อวันที่22กันยายนพศสองพนาณวัดตาบรรตัดจังหวัดอุดรธานีโดยพระอาจารย์มหาบุญญาณสัมพนธ์ตัวของเราแต่ละท่านเป็นเหมือนกับไม้ทั้งทน ให้จำเนื้อรูปเป็นบ้านเป็นเรือนเป็นวัตถุต่างๆขึ้นมาใช้เพื่อประโยชน์ตามความต้องการนั้นยังเป็นไปไม่ได้ท่านเปรียบเหมือนกับไม้ทั้งตน้นไม้จะเป็นประเภทใดๆก็าตามถ้ายังไม่ได้ นำมาถากมาเรื่อยจนสำเร็จรูปออกมาเป็นชิ้นๆแล้วแยกออกไปทำประโยชน์ตามความต้องการแต่และอย่างละอย่างไปแล้วไม้ทุกประเภทที่เป็นไม้ทั้งทอนอยู่นั้นจะสำเร็จประโยชน์อะไรไม่ได้ ไม่ว่าจะเป็นไม้เนื้อแข็งหรือเนื้ออ่อนต่อเมื่อได้นำเครื่องมือมาจัดทำไม้ท่อนนั้ น, น, นให้สำเร็จรูปมาตามความต้องการและนำไปทำประโยชน์ได้ตามความประสงค์แล้วนั่นแหละ จะเป็นไม้ประเภทใดก็ได้รับประโยชน์ตามคุณภาพของตนแล้วแต่นายช่างจะนำไปทําประโยชน์อะไรคุณสมบัติของไม้ก็มีไปตามส่วนฮหเนื้อไม้ยิ่งเป็นนายช่างผู้ฉล า, าดดูแล้วก็ยังจะเสริมเนื้อไม้หรือไม้นั้นๆให้ดีขึ้นตามเนื้อแท้ของตน ี่เราก็เหมือนกันเช่นนั้นเพียงแต่รูปเป็นคนหรือเป็นพระเป็นเลนเท่านี้ก็ยังเป็นไม้ทั้งท่อนอยู่ศาสนาที่อยากว่าศาสนาธรรมซึ่งพระพุทธเจ้าตรัสไว้นี้จึงเป็นเหมือนกับเครื่องมือ ส่วนเหตุแห่งศาสนาเป็นเหมือนเครื่องมือสำหรับดัดแปลงกายวาจาใจของเราตามแต่ผู้จะปฏิบัติหรือดัดแปลงตนเองนั้นจะนำเอาอุบายจากโอวาทของพระพุทธเจ้าไปใช้เพื่อสำเร็จเป็นประโยชน์ขึ้นมาทางความประพฤต เป็นส่วนผลก็หมายถึงความสุขที่รับจากการดัดแปลงตนเองทั้งฝ่ายเหตุและฝ่ายผลนี้ขึ้นอยู่กับหลักธรรมของพระพุทธเจ้าทั้งนั้นการก้าวเข้ามาบวชในพระศาสนานจึงเป็นเหมือนกับว่ามาดัดแปลงตนเองเช่นเดียวกับนายช่าง ดัดแปลงไม้เอาตามความต้องการของตนจนสําเร็จประโยชน์ขึ้นมาตามความประสงค์นี่เราทุกๆ ท, ท่านมีความมุ่งประสงค์จะให้ตนของเราที่กําลังเป็นไม้ทั้งท่อนนี้ให้เป็นของมีคุณค่าขึ้นมาด้วยการดัดแปลงตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าที่เป็นเครื่องมือแต่ผู้ที่จะนํามาดัดแปลงนั้นก็คือเรา ครูอาจารย์ท่านนำโอพระโอาวาทของพระพุทธเจ้ามาสอนให้แล้วก็เหมือนกันกันกบยกเครื่องมือยื่นให้เราว่าสิ่งนั้นผิดสิ่งนี้ถูกควรจะทําอย่างนั้นควรจะงดอย่างนี้นี่เป็นอุบายวิธีของท่านที่สอนเราผูมาศึกษาก็พยายามยึดเอาหลักที่ท่านสอนไม่ว่าส่วนยากส่วนกลางส่วนละเอียด เข้ามาฝึกผลดัดแปลงตนเองให้เป็นไปตามหลักพระโอวาทนันนั้ น, น, นความหน้าดูในตัวของเรานี้จะเป็นของหน้าดูขึ้นเป็นลำดับความคิดทึ่ออกมาจากใจก็จะเป็นไปเพื่อความฉลาดคิดออกมาในแง่ใดก็ เป็นแง่ที่จะผิดประโยชน์ให้เกิดขึ้นจากเราแล้วผู้เกี่ยวข้องไม่ว่ากว้างหรือแคบเคลื่อนไหวออกมาทางกายที่เรียกว่าการกระทําก็เป็นเรื่องที่จะทําประโยชน์ให้แก่ตนและส่วนรวมพูดออกมาทางวาจาก็เช่นเดียวกันสําเร็จประโยชน์ไปเป็นลําดับลำดับตามกําลังแห่ง กิจที่ได้รับการศึกษาอบรมจากหลักธรรมมาดัดแปลงตนเองหากจะปล่อยให้สำเร็จประโยชน์เอาเท่เฉยโดยไม่เกี่ยวกับพระโอวาทซึ่งเป็นเครื่องมือแล้วไม่ว่าโลกไม่ว่าธรรมไม่จำเป็นจะต้องมีการงานประจำกันทั่วโลกเพราะใครอยู่ที่ไหนนึกอย่างไรก็สำเร็จ ขึ้นมาตามความนึกเท่านั้นโดยไม่ต้องลงมือทาแต่เท่าที่โลกจะมีจำนวนมากน้อยเท่าไรยอมเป็นผู้เกี่ยวข้องกับงานด้วยกันทั้งนั้นทั้งนี้เนื่องจากสำคัญอยู่ที่การกระทาอันเป็นบอกเกิดแห่งผลที่ตนพึงมุ่งหวัง ฉะนั้นผู้บวชเป็นพระจึงคือว่าผู้ตั้งหน้ามาดัดแปลงตนเองกายว่าจใจมีอยู่กับเราทุกท่านผู้ที่จะสังเกตสอดรู้ในเรื่องความเคลื่อนไหวผิดถูกของตนก็คือเรื่องของสติและเรื่องของปัญญา คิดขึ้นมาได้ที่ใจดวงเดียวกันกับความเคลื่อนไหวอย่างอื่นเกิดขึ้นเรื่องของสติปัญญาคอยตามสังเกตความผิดถูกแห่งความเคลื่อนไหวของตนอยู่เสมอนี่ชื่อว่าผู้ศึกษาผู้อบรมผู้ดัดแปลงตนเอง เราย่อมเห็นความบกพร่องของเราเป็นลำดับและมีทางที่จะแก้ไขกันได้ตามลำดับแห่งความบกพร่องที่ปรากฏขึ้นเนื่องมาจากการสอดส่องของใจย่อมจะทราบได้ซึ่งความบกพร่องของตนถ้าไม่ทราบก็ไม่มีทางที่จะแก้ไข เมื่อทราบแล้วก็มีทางที่จะแก้ไขเพื่อความสมบูรณ์ขึ้นมาเป็นขั้นขันหน้าที่ของพระที่ทาอยู่ในวัดก็ดีนอกวัดก็ดีที่ทำเป็นประจำก็ดีทำเป็นบางเวลาก็ก็ดีล้วนแล้วตั้งแต่เป็นการงานที่จับผิดผลประโยชน์ให้เราพูดทำ ด้วยกันทั้งนั้นแค่นั้นการทำงานทุกทุกชิ้นไม่ว่าจะงานภายนอกงานภายในงานส่วนรวมหรืองานโดยลำพังต้องให้มีผู้คอยสอดส่องอยู่กับความเคลื่อนไหวของตนทุกระยะ นี่ชื่อว่าเป็นผู้มีความเทียนประจำกับหน้าที่การงานนั้นๆไม่บกกร่องถ้าพระไม่สามารถจับปฏิบัติตนให้เป็นไปตามหลักแห่งตัวขาตธรรมและนำผลเป็นที่พึงพอใจเข้ามาเป็นสมบัติของตนได้แล้วพระผู้เป็น ซึ่งเป็นผู้นำของประชาชนทั่วๆไปจะไม่สามารถนำโลกให้เป็นไปด้วยความราบรื่นถ้าตนยังไม่สามารถดำเนินตนให้เป็นไปตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าฉะนั้นหลักใหญ่จึงอยู่ที่เรา ทุกสิ่งทุกอย่างจะดีขึ้นมาหรือเลวลงไปไม่ใช่จะดีขึ้นมาหรือเลวลงไปโดยลำพังของสิ่งนั้นๆเท่านั้นซึ่งสิ่งเหล่านั้นเกี่ยวข้องกับเราต้องมีส่วนดีส่วนชั่วขึ้นอยู่กับเราด้วยนี่เป็นหลักสาคัญท่านกล่าวไว้ว่านิพพานาังประมังสุขขัง ในธรรมะมีบทนี้เป็นยอดแห่งธรรมที่กล่าวว่าเป็นผลของการปฏิบัติเราทุกท่านเคยได้ยินเสมอว่าพระนิพพานเป็นความสุขอย่างยอดเยี่ยมนี่เป็นองค์ของพระพุทธเจ้าผู้ได้ทรงค้นพบและนำมาประกาศ สอนโลกให้ทราบความลึกซึ้งแห่งความสุขที่โลกแม้จะไม่เคยเห็นก็ตามเพื่อให้ได้ยินและเป็นที่จับจิตจับใจเป็นเครื่องปลูกศรัทธาความเชื่อมั่นวิริยะความภาคเพียนที่จะบำเพ็ญตนไปด้วยความอดทนและขยันหมั่นเพียร ไม่มีใครจะสามารถยกทรรมบทนี้ขึ้นมาให้โลกได้ยินได้ฟังและไม่มีใครสามารถจะชี้ช่องทางเพื่อทรรมบทนี้ปรากฏขึ้นภายในใจได้นอกจากพระพุทธเจ้าพระองค์เดียวเท่านั้นเป็นครั้งแรกซึ่งเป็นผู้นำศาสนาแม้สาวกก็ต้องได้เป็นได้ดับ จากพระพุทธเจ้ามาก่อนไม่เช่นนั้นก็ไม่สามารถนี่แสดงถึงความยอดยิ่งแห่งความสุขที่โลกปรารถนานับแต่สัตว์ก็มีความปรารถนาด้วยกันพระพุทธเจ้าท่านแสดงให้ทราบอย่างนี้ความสุขที่เรา เราเราท่านท่านได้ปรากฏอยู่เหล่านี้เป็นความสุขที่พระพุทธเจ้าเคยพบเคยเห็นและเคยเสวยมาด้วยกันแต่ยังไม่ได้เสด็จออกทรงผนวดและยังไม่ได้ตรัสรู้พระองค์ท่านก็ไม่สามารถจะประกาศทำบทนี้ให้โลกได้ยินทั่วถึงกันเพราะพระองค์ไม่ทรงทราบว่าเป็นอย่างไร ต่อเมื่อได้บำเพ็ญเต็มพระสติกำลังความสามารถจนได้รู้เห็นธรรมบทที่อัศจรรย์เหนือโลกนี่แล้วจึงได้นำมาประกาศสั่งสอนบรรดาสัจแล้วคำที่ว่านิพพานังประมังสุขขังนี้ไม่ใช่เป็นโมฆะธรรม ไม่ใช่เป็นโมคะบุคคลผู้ประกาศเอาเฉยเยโดยหาหลักความจริงไม่ได้แต่ทั้งสองคือคำว่านิพพานังประมังสุ ข, ขังก็หมายถึงองค์พระพุทธเจ้าท่านทรงค้นพบโดยพระองค์เองด้วยและพระองค์เป็นผู้ประกาศสอนโลกเสียเองด้วยคือว่าเป็นความจริงอย่างยิ่งทางที่จะก้าไปเพื่อทาบทนี้ ท่านก็ประกาศสอนไว้ตั้งแต่ต้นทากลางจนถึงที่สุดจุดหมายปลาทางแห่งธรรมบทนที้เรียกว่านิพพานังปรมังสุ ข, ขังไม่มีขาดตกบกห้่องแม้แต่นิดเดียวนอกจากผู้จะผู้ปฏิบัตินั้นจะมีความสามารถแค่ไหนจะสามารถดำเนิน ให้เป็นไปได้ตามแนวทางที่พระองค์ท่านสอนและตามผลที่พระองค์ทรงประกาศไม้หรือไม่นี่ปัญหาข้อนี้เราทุกทุกท่านอย่าได้ยกขึ้นไปให้เป็นปัญหาของท่านผู้ดัดขอให้เป็นปัญหาของเราทุกท่านที่จะคบคิดให้แตกภายในจิตใจของเราเพราะเราเป็นผู้มุ่ง อย่างนั้นด้วยกันมีอะไรบ้างเป็นค่าศึกหรือเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินของเราทุกๆวันนี้และเวลานี้ที่มาให้ได้รับความสะดวกภายในใจเพื่อจะก้าวไปสู่ทาบทนั้นได้ตามความหวังมีอะไรบ้างต้องทดสอบดูตัวเองในจุดนี้ปัญหาให้ยกให้เป็นปัญหาของเรา สิ่งที่ขัดข้องทางดำเนินถ้าพิจนารณาดูว่าไม่ผิดแล้วก็คือเรื่องเราเสียเองเป็นอุปสรรคต่อตนเองไม่ใช่ทุกสิ่งอื่นๆมาเป็นอุปสรรคต่อเราเพื่อจะก้าวไปไม่ได้อะไรเล่าที่เป็นอุปสรรค ของเราเสียเองเกิดจากเราเสียเองและมีอยู่กับเราเสียเองนี่เมื่อกาวรวมลงแล้วทานเรียเป่ากิเลสอาสวะนี่แลเป็นเครื่องผิดอุปสรรคทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นมา กีดขวางทางเดินของเราพิษขึ้นมาหลอกเราทุกๆวันนั่งอยู่ก็หลอกนอนอยู่ก็หลอกในอียบบททั้งสี่จะมีสิ่งที่มีอยู่ภายในเรานี้สแสดงเป็นภาพขึ้นมาเป็นอารมณ์ขึ้นมาหลอกลวงจิตใจให้ละเหยเรลร่อนไปตามอารมณ์นั้นๆไม่มีสิ้นสุดจุดหมายปลายทาง วกกันไปเวียนกันมาอยู่ด้วยอารมณ์ของธรรมชาตินี้ผิดขึ้นมาหลอกลวงนั่นแหละสิ่งที่มาเกี่ยวข้องกับจิตถ้าไม่มีอันหนึ่งภายในจิตออกรับและแสดงเครื่องเป็นเครื่องหลอกลวงขึ้นมาภายในตนแล้ว สิ่งภายนอกก็ไม่เป็นค่าศึกเช่นรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสอันนั้นเป็นแต่เพียงว่าผ่านเข้ามาสัมผัสชั่วขณะเท่านั้นแต่ธรรมชาติผู้ที่ได้รับสัมผัสนี้เป็นเรื่องสําคัญสัมผัสแล้วแม้สิ่งที่ได้รับสัมผัสจะผ่านไปแล้วกว็าตาม อารมณ์ที่ตนได้รับสัมผัสนี้จะเป็นเครื่องฝังหรือผิดตัวขึ้นมาเสมอเกี่ยวกับอารมณ์ที่เคยมาสัมผัสแต่ผ่านไปแล้วนั้นนี่แหละเป็นอุปสรรคของใจเช่นมีความรักในรูปจะเป็นรูปสิ่งที่มีวิญญาณก็าตามไม่มีวิญญาณก็าตามอารมณ์ที่เป็นความรักนี้จะมีอำนาจ ผลักดันให้จิตปรุงขึ้นมาเสมอเกี่ยวกับอารมณ์ที่น่ารักนี้จนไม่เป็นอันกินอยู่หลับนอนมีแต่อารมณ์อย่างเดียวเท่านั้นผิดตัวขึ้นมาเป็นลำดับลาดับลาดับทำให้จิตหลงเพลินไปตามตลอดเวลาไม่มีเดือนปีนาทีโมงมาเป็นเครื่องบังคับตัดสินใจให้ได มีแต่เรื่องอันเดียวเท่านั้นที่จะผิดออกมาหลอกตอนเองอยู่เสมอทากีวกับเรื่องชังก็เหมือนกันมีลักษณะเช่นเดียวกันนี้นียกขึ้นเพียงรูปเท่านั้นเพราะคำว่ารูปทุกท่านเข้าใจแล้วหลายประเภทแห่งรูปและหลายประเภทแห่งจิตคือเจตสิก ท, ที่จะคิดเกี่ยวข้องกับ รูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสนี่แหละที่เป็นอุปสรรคถ้าจะให้เป็นทางเดินก็ต้องนำเรื่องเหล่านั้นเข้ามาคลี่คลายขายายดูให้เห็นตามหลักความจริงของรูปของเสียงของกลิ่นของรสซึ่งมีความจริงประจําเขาอยู่ทุกทุกชิ้นทุกทุกสิ่งที่ผ่านเข้ามาเกี่ยวข้องกับใจ และมีความจริงอยู่กับใจผู้ที่หลงงมงายไปตามนั้นอยู่ทุกระยะเหมือนกันถ้าเราได้นำสติกับปัญญาเข้าไปทดสอบกันจะทราบตามหลักความจริงทั้งข้างนอกและข้างในแล้วปล่อยวางหรือตัดสินกันออกได้แยกกันออกได้โดยที่สิ่งเหล่านั้นมีอยู่ประําโลกแล้วใจก็เป็นธรรมชาติที่รู้ ตลอดถึงเกียริกรรมที่คิดอยู่กับใจก็เคยคิดอยู่เสมอแต่ไม่สามารถอาจเอื้อมไปคิดสิ่งที่เป็นคาศึกดังที่เคยเป็นมานั้นให้มาเผาลนตนเองได้อีกต่อไปเพราะอำนาจของสติปัญญาเป็นผู้วิภากวิจารณข้ ค, ควรอย่างชัดเจนแล้วตัดสินแยกกันออกได้นี่เป็นทางเดินเพื่อข้ามอุปสรรคที่ตนได้ผลิตขึ้นมาทาการขิดขวางตนเอง และนักปฏิบัติต้องเป็นผู้เข้มแข็งภายในจิตเสมออย่าทําอ่อนแอยกพระพุทธทเจ้าซึ่งเราได้เคยกราบไหว้และลึกถึงท่านว่าพุทธทางแท่นังคาฉามิเข้าสนิทกับใจอย่ายอมตายด้วยมายาที่ผิดขึ้นมาจาก สิ่งที่กล่าวแล้วเมื่อสักครู่นี้นี่ไม่เคยทำผู้ใดให้ดีความเกียดข้านก็คือธรรมชาตินี้แหละเป็นผู้สั่งงานความอ่อนแอก็คือธรรมชาตินี้เป็นผู้สั่งงานทุกสิ่งทุกอย่างที่จะให้ข้าเคลื่อนหรือเ้ินห่างจากกลักธรรม อันจะเป็นประโยชน์แก่ตนตั้งแต่ขั้นต่ำจนถึงขั้นสูงสุดมีธรรมชาติเหล่านี้ทั้งนั้นซึ่งเป็นของต่ำคอยฉุดลากไว้มาให้จิตก้าวเดินไปตามความ ต, ต้องการที่ตั้งไว้ทรรมที่กล่าวว่านิพพานังปรมังสุขขังนั้นไม่ใช่ทรรม เหมือนโลกทั่วๆไปคือไม่ใช่เป็นคุณสมบัติเหมือนโลกทั่วๆไปแต่เป็นคุณสมบัติอันยิ่งยวดเหนือจากโลกทั่วๆไปถ้าจะเทียบเป็นของมีค่ามีราคาก็หาประมาณไม่ได้ผู้ที่จะสามารถอาจเอื้อมถึงทำบทนี้ เป็นผู้ตามสเสด็จพระพุทธเจ้าด้วยความรู้ความเห็นความปฏิบัติความรู้ความเห็นก็ให้เป็นไปตามหลักธรรมทิศสอนไว้การปฏิบัติก็ให้เป็นตามเป็นไปตามเข็มทิศทางเดินของธรรมที่ประกาศสอนไว้สิ่งใดบกพร่องพยายามดัดแปลงตนอยากเห็นว่าความบกพร่องเป็นของดี สิ่งเหล่านี้เป็นผากเป็นน้ำเครื่องกั้นกลางทางเดินเพื่อสันติธรรมอันยอดเยี่ยมทั้งนั้นผู้ปฏิบัติถ้ามาเห็นภัยกับสิ่งเหล่านี้แล้วจะหาทางก้าวเดินเพื่อความเจริญแก่ตนไปไม่ได้เอาทุกทุกเพื่อการงานซึ่งจะนําตนให้ผ่านพ้นอุปสรรคหรือสิ่งที่มาลังควานจิตใจ ดูตลอดเวลาทุกก็ไม่เป็นไรเพื่อจะเพราะเพื่อจะผ่านพ้นสิ่งเหล่านี้หากเราเป็นผู้ไม่สามารถในวันนี้วันหน้าความไม่สามารถอันนี้แหลจะไปขวางหน้าอยู่เดือนใดปีใดก็คือความไม่มีควา ม, มความไม่สามารถนี่แหละจะเป็นผู้นำทาง เดินเข้าสูแห่งความไม่สามารถเสมอไปแนวจะหาผลประโยชน์อะไรไม่ได้การทำความเพียรหมายถึงเรื่องสติกับปัญญาให้ตามรู้กันไปเสมอกับอารมณ์ที่เกี่ยวข้องกับใจการทำงานทุกชิ้น ความเคลื่อนไหวของกายของวาจาที่แสดงออกจะต้องออกมาจากใจถ้าสติปัญญาตั้งอยู่กับใจแล้วจะต้องทราบมาระของความคิดซึ่งแสดงออกทุกๆกวาระจะทุก์จะลำบากเพื่อการสังเกตสอดรู้เรื่องตัวเองนั้นถือว่าเป็นงานชิ้นสำคัญเราอย่าถือเป็นความลำบากลำคาญไปเฉยๆเดี๋ยวจะไปทาง ที่เขาเคยฉุดล่าอีกแล้วแล้วหาทางฟื้นตัวไม่ได้ทาหมดที่กล่าวนี้เป็นทาที่ตัดสินเด็ดขาดจากสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาทั้งปวงหมดภัยหมดเป็นหมดทุกทุกประเภทนอกจากจะมี อยู่ในเาระที่ขันยังตั้งตัวอยู่มีเท่านั้นแต่ถึงเช่นนั้นก็ไม่มีอะไรที่จะเป็นกังวลถึงใจการท่องเที่ยวกลับเกิดกลับตายเปลี่ยนภพเปลี่ยนชาติมากี่กลับกี่กันนี้เป็นงานที่รู้สึกว่าซ้ำซาก จนหางานอะไรจะเสมอไม่ได้ความทุกข์ที่เป็นไปตามพบตามชาตินั้นๆก็ไม่มีอะไรจะซ้ำซากเท่าความทุกข์เหล่านี้เราควรจะนำมาพิสูจน์แล้วทำการเลิกลากันด้วยอุบายยิทีแห่งความฉลาดของเราจากหลักธรรมะมาเป็นเครื่องประกัน ยกเอาตัวของเราเป็นผู้ประกันชีวิตของตนด้วยข้อปฏิบัติเพื่อกมจัดสิ่งที่กล่าวมานี้ซึ่งเห็นว่าเป็นภายนี้ให้หมดไปจากใจเป็นลำหนับจะสมว่าสวัสขาตธรรมนั้นตัดไม่ชอบหรือผู้ปฏิบัติตามก็ได้ถึงธรรมที่ชอบตามพระองค์ท่าน ทายังจะไม่เป็นโมฆะแก่พวกเราอยู่เฉยๆการขบการฉันการไปการมาขอให้สติติดตามเสมออย่าปล่อยตัวปล่อยไปหาประโยชน์อะไรไม่มีสำหรับผู้ปฏิบัติ ด้วยความตั้งใจมาอย่างนี้จริงๆแล้วนอกนั้นไม่ใช่ธุระของพระผู้ตั้งใจปฏิบัติเพื่อมรุ่นนิพพานมีทางเดียวคือให้เห็นภัยในความบกพร่องของตนในจุดใดพยายามแก้ไขในจุดนั้นนี่เป็นงานอันสาคัญของพระผู้ปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์จริงๆ ไม่เช่นนั้นจะหาทางเดินไม่ได้ตายทิ้งเปล่าๆไม่เป็นประโยชน์ทำความเพียรไม่ได้รับแม้แต่ความสงบนี้ไม่มีอะไรที่จะเป็นเครื่องกั้นกลางนอกจากความเพอเลอเท่านั้น เป็นเพราความตั้งใจแล้วอย่างไรต้องรู้ไม่มีอะไรจะเหนือความตั้งใจไปได้นอกจากนั้นยังสังเกตธาตุขันตนของเราอีกการนอนการขัน การเดินเช่นเดินยังกรมสังเกตให้ดีนอนมากเป็นอย่างไรชันมากเป็นอย่างไรชันน้อยเป็นอย่างไรเดินมากเป็นอย่างไรต้องสังเกตและความคิดที่คิดมากคิดไม่หยุดไม่ถอยหาสถานีจอดแวะไม่ได้ โดยไม่มีสติสตังตามรักษาเลยนี่นี่เป็นภัยอย่างร้ายสำหรับผู้ปฏิบัตินี่แหละเครื่องหลอกคือความคิดคิดสอกๆอกแสกแสคิดไม่หยุดไม่ถอยอารมณ์ร่วงไปแล้วกี่ปีกี่เดือนนำมาขบมากคิดคิดไปเฉยเฉยโดยไม่หาเหตุหาผลกับความคิดนั้นๆอย่างนี้เรียกว่า ไม่เป็นประโยชน์อะไรเลยนอกจากจะทำตัวให้เดือดร้อนเทาะอารมณ์ที่ดีเคยดีใจเสียใจกลับมาเป็นเรื่องปัจจุบันเขาตัวเองอยู่ภายในจิตนี้ฐานธรรมนาของอารมณ์ที่ดีใจเสียใจที่ซึ่งเกี่ยวกับอดีตนั้นมันผ่านไปแล้วแต่นำเข้ามาคิดในเวลานั้นมันก็กลายเป็นเรื่องปัจจุบันเข้ามาแต่นันไม่ใช่ปัจจุบันธรร มันเป็นปัจจุบันของไฟเผาจิตใจแล้วร้อนตรวจให้พากันทำความกล้าหาญต่อการปฏิบัติอย่าทอดแท้อ่อนแอในความเพีย่ยนซึ่งเป็นจะเป็นผลอันยิ่งใหญ่ต่อผู้บำเพ็ญจะได้รับโดยไม่ต้องสงสัรผู้เป็นอาจารย์เมื่อ เห็นลูกศิษย์ที่มาอยู่ด้วยกันมีความขยันหมั่นเพียรเข้มแข็งองอาจกล้าหาญดื่นดรงพ่อรู้สึกเบาใจถ้าเห็นมีความอ่อนแอไม่ว่าจะเป็นประเทศใดในหน้าที่การงานรู้สึกไม่สบายใจเหมือนกันนเพราะลูกศิษย์กับอาจารย์มันแยกกันไม่ออกมันเจียวข้องกันอยู่เช่นนี้สอนทุกบททุกบท นั่นได้สอนด้วยความตั้งจิตตั้งใจสอนด้วยความสนใจสอนเพื่อรู้เพื่อฉลาดจริงๆแกผู้มาศึกษาไม่ได้สอนเพื่อเล่นๆไม่ได้สอนเพื่ออ่อนแอนี่เมื่อเห็นสิ่งที่ไม่นับไม่พึงปรารถนาแสดงขึ้นจึงเป็นที่หนึ่งไม่สบายใจสองรู้สึกว่าหนักใจ ว่าที่สอนลงไปนั้นผลเป็นที่แสดงขึ้นมานั้นไม่ใช่กรงกับเหตุที่สอนไปมันกลายเป็นเรื่องอื่นขึ้นมานี่เห็นลูกศิษย์ผู้มาตั้งใจอบรมศึกษามีความขยันหมั่นเพียรทั้งกิจนอกการในทั้งงานส่วนรวมและงานส่วนตัว แล้วรู้สึกว่าเบาใจสบายจิตที่เกี่ยวข้องกับหมู่คณะนี่เป็นเรื่องเรื่องของอาจารย์ต้องเป็นอย่างนี้ไม่ว่าอาจารย์องค์ไหนยิ่งได้ยินได้ฟังจากลูกจิตที่มาเล่าเรื่องความเป็นของกิตให้ฟังเป็นชั้นๆั้น ตามกําลังแห่งความสามารถของผู้มาปฏิบัติมีแง่ต่างๆกันด้วยแล้วก็ยิ่งรู้สึกว่ามีความลื่นเลงบันเทิงแล้วพออกพอใจที่จะแนะอุบายแนวทางต่างๆให้เต็มความสามารถอย่างไม่มีปิดบงังลี้รับอ้าวถึงไหนถึงกันถ้าหากว่าไม่สามารถจะแก้อุบายความเป็นขึ้นภายในจิตของลูกศิษย์แล้วอา้าวส่งเรายังจะสามารถส่งไปหาครูอาจารย์ ที่เราเข้าใจว่าองค์ไหนท่านจะสามารถน่ขนาดนั้นแต่หากเราวัชุดวิสัยกำลังของเราที่จะสอนเพราะทมที่จะมาสอนนี้ไม่ใช่ทมขั้นเดียวยังรอผู้สนับรับฟังอีกด้วยการสอนทั่ ว, วไปในบรรดาธรรมทั้งหลายเป็นอย่างหนึ่ง การสอนลงตามจุดของผู้ที่เป็นอยู่อย่างไรภายในใจนั้นเพื่อให้ถูกกับจุดสำคัญสำคัญในเวลาเช่นนั้นยังมีอีกถ้หากเกี่ยวข้องกับสมาธิเป็นสมาธิประเภทใดก็ต้องสอนแยกออกตามประเภทของสมาธินั้ น, น, นเป็นปัญญาขั้นไม่ก็จะต้องสอนไปตามหลักของปัญญาที่พูดเป็นขึ้นนั้นมามันเกี่ยวข้องกัน จนสุดความสามารถของการสอนมีพอใจที่จะสอนหมู่เพื่อนอย่างนั้นตลอดเวลาและมีความหวังอย่างยิ่งที่จะได้ยินได้ฟังจากผู้ปฏิบัติซึ่งปรากฏผลขึ้นมาอย่างนั้นอย่างนั้นอาได้เป็นที่รื่นเริง จ, จิตใจและคำว่านิ้พานังประมังสุขขังนี้จะยังมีอยู่ไหมทุกวันนี้ สำหรับท่านผู้ปฏิบัติแต่ไม่ได้หมายความว่านิพพานังประมังสุ ข, ขังซึ่งเป็นธรรมของพระพุทธเจ้านั้นได้สูญไปจากโลกนี่หมายถึงผู้ปฏิบัติต่างหากว่าจะสามารถนำธรรมบทนั้นเข้ามาเป็นสมบัติของตนได้ไหมในปัจจุบันทุกวันนี้นียากทราบเหลือเกินการสอนนี้สอนเพื่อนั้นทั้งนั้นไม่ได้สอนเพื่ออื่น แล้วจะเป็นอย่างไรเมื่อเข้าถึงจุดนั้นจริงๆแล้วเราจะเห็นสภาพที่เกี่ยวข้องกับเรามากี่กับนับไม่ถ้วนเป็นอย่างไรบ้างและเราจะเห็นสภาพของจิตของเราเองเนี่เป็นอย่างไรบ้างตลอดถึงความรู้ความเห็นที่เป็นขึ้นภายในจิตใจมาตลอดสายจนกระทั่งถึงขณะที่ทําบทนี้ได้เข้าสวมจิตจริงๆแล้วเป็นมีลักษณะต่างกันอย่างไรบ้าง นี่อยากจะให้ทราบผ่าให้รู้มีความแปลกจากโลกอย่างไรบ้างแปลกจากความเป็นของจิตที่เคยเป็นมาอย่างไรบ้างนี่เป็นหลักสาคัญน่ขอให้พากันตั้งอกตั้งใจปฏิบัติตัวด้วยความเข้มแข็งขอวิฏธรรมะเตติธรรมะเตสนาเพียงตน